พระอนุบัญญัต18ิ182รอยอหนึ่งภิกษุใดชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีโดยที่สุดแม้ช่วยไร้แวบบ้านหนึ่งนอกสมัยต้องอบัติปาจิตตีสมัยในข้อนั้นคือเป็นหนทางที่จะพึงไปด้วยกองเปลี่ยนที่รู้กันว่าหน้าหวัดระแวงมีภัยน่ากลัวนี้เป็นสมัยในข้อนั้นเรื่องภิกษุและนางภิกษุณีหลายรูปจบ